คิดไม่ดีเกิดจากกิเลส ด, ดิบไม่ได้เกิดจากความตั้งใจถ้ามีสติมนทินจะไม่เกิดกลายเป็นบุญใหญ่ได้ทุกคนมีความคิดชนิดที่เหมือนเครื่องทำทารุณกรรมติดตัวไว้ในหัววนเวียนทรมานใจซ้ำซากความบาด จ, จิตทรมานใจเกิดจากความรู้สึกต่อต้านความคิดนั้ น, น, นไม่อยากให้มันเกิดขึ้น ไม่อยากให้มันอยู่ในตัวคุณไม่อยากยอมรับว่าตัวคุณเป็นคนคิดไม่อยากให้เกิดบาปร้ายแรงติดตัวไปก่อนอื่นให้ทำความเข้าใจว่าบาปที่สำเร็จเป็นบาปจริงที่จะเปลดผลเป็นความเดือดร้อนในภายภาคหน้าต้องเกิดจากจิตตั้งมั่นคิดร้ายเช่นนึกเลียดใครแล้วหมกมุ่นคิดถึงแย่ไม่ดีของเขามั่นไส้ใคร แล้วแกล้งให้ร้ายใส่ความขัดผลประโยชน์กับใครแล้วลงมือลงไม้ให้แด่วดินพูดง่ายๆพอมีปมรากความชั่วร้ายอันก่อตัวจากความโลภความโกรธความหลงและงอกหนามแหลมผ่านกายวาจาใจไปทิมตามให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนอย่างนี้เป็นบาปสมควรติดเตียนตนเองสมควรระงับอกระงับใจสมควรป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก แต่ถ้าแค่คิ ด, คดนึ ก, นกแบบอยู่ๆวูบมาเองลมเพลงมพัดไม่ได้มีเจตจำนงไม่ได้มีความมุ่งมั่นไม่ได้รู้สึกเห็นด้วยไปกับความคิดที่แวบมาเองนั้นมันก็ไม่ต่างจากลมพิษที่ซัดผ่านเข้ามาให้ตัวเองแสบคันเล่นไม่ต้องทำอะไรมากกว่ารู้ทันแล้วปล่อยผ่านถ้าระลึกได้เช่นที่ว่านี้คือมีสติมนทินจะไม่เกิดเพราะจิต ยังไม่ถูกย้อมด้วยอากุศลธรรมจนดำจริงตรงข้ามเมื่อใดเกิดสติระลึกได้เช่นนี้แม้เป็นความคิดที่เสียแทงร้ายแรงขนาดไหนจิตก็เกิดภาวะรู้ทันว่านั่นเป็นเพียงเศษอกุศลธรรมที่ใจเราไม่เอาด้วยเมื่อเห็นภาพใจเราไม่เอามนทินใจก็ไม่มีมนทินและแผ่พายคลายออกเป็นความรู้สึกสบายลายเป็นกุศล กลายเป็นสว่างโลง่งยิ่งเกิดภาวะเช่นนี้บ่อยขึ้นเท่าไรใจก็ยิ่งเป็นบุญใจก็ยิ่งไม่เอาบาปขึ้นเท่านั้นหาคิดแล้วไม่ต่อต้านไม่ปฏิเสธไม่เห็นเป็นบาปผิดก็เปลี่ยนจากทรมานใจเป็นสบายใจหรือกระทั่งเปลี่ยนมนลทินเป็นบุญแทนใจที่มีสติไม่เอาบาปนั่นแหละบุญใหญ่ของแทอ